เบื้องต้นเดี๋ยวก็ให้พรก่อนเนาะโยมก็จะฟังเทศคอยทอนกลางวันเลนยกลางวันได้ข่า ว, ว่ามีเหตุกันนึงเนาะเดี๋ยวประมาณเที่ยงเที่ยงก็ใครไม่ได้ไปไหนก็มานั่งคุยกันเดีย๋ยวมีอะไรเพืฟังเยอะป่วยงดไม่มานิยมตายจริงๆนะ ได้ตอนที่เป็นบอลลนเส้นเลือดหัวใจตันสองเส้นสามเส้นนะอย่าเป็นนิยมอะพระเป็นอะไรอะไอะมัหะนหายใจไม่ออกมันแน่นในอกเมื่อตอนเมื่อปีที่แล้วต้นปีอะ่ะที่ว่าไม่รับกิจที่มนที่ไหนวันนั้นนใะวันที่จะมาที่นี่กันกนะเนีหยคือวันนั้นที่มีกิจเช้าที่นี่เนาะก็ลงมาจากดอย เสร็จแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันแน่นๆแน่นนะอกก็เล ย, ยไปโรงพยาบาลตรงนี้พอตรวจเจอประมาณสามสามโมงเย็นหลายสามโมงเย็นเราเนี้ยตอนชา้ตาต้องมาฉันที่นี่อยู่นั่นนะพอสามโมงเย็นตรวจเจอเราก็เลยคิดว่าจะมาฉันที่นี่ก่อนแล้วก็จะไปหาหมอ่าฉีดสี โครงการเป็นอย่างนั้นก็เลยรอดูก่อนที่ว่าอาการที่มันอึดอัดมันจะหายไหมพอกลับมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพมาพักที่วัดป่ามณิการตอนนั้นพักที่นั่นพอห้าโมงเย็นก็ไม่หายนะน้าโมงเย็นก็ไม่หายหกโมงเย็นก็ไม่หายมันเริ่มนั่งไม่ได้นอนก็ไม่ได้นะ มันจะแน่นเข้าแน่นเข่าะเรื่องเรื่องมันนะเอ๊ะทำอะไรดีรออีกักพักๆสิเดื๋ยมันจะหายมันก็ไม่หายพอไม่หายก็เลยติดต่อไปทางโรงพยาบาลรามาลูกศิษย์ที่คุ้นเคยกันทางโรงพยาบาลรามาก็บอกว่าเอกสารไม่ครบแต่ที่โรงพยาบาลธุลาเนี่ยเอกสารครบก็เลยไปที่ธุลาก็เลยโทรมาหาโยมอิ๋วโยมอิ๋วบอกคงจะไม่ไหวแล้วล่ะ เราของวดก่อนกันจะหาครูบาอาจารย์มาเปลี่ยนก็ไม่มีใครในะวันนั้นนะก็โทรไปหลายที่ให้ครูบาอาจารย์มามาแทนอ่ารู้สึกว่าไม่ไหวแน่นอนก็โทรไปหลายจุดในระหว่างที่โทรหาครูบาอาจารย์เนี่ยมันคือดอักอยู่ตลอดก็เลยมาถึงโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยประมาณเที่ยงคืนเขาก็ยังไม่ตรวด100าาร้ออร์เซ็นตนะเขาก็จะมาถาม อถามเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเราเก้าข้อมูลของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยใหเ้เขาก็ไปอ่านโปรแกรมตัวนั้นเมื่ออ่านโปรแกรมนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีหลายผ่ายมาชักไซไรเหลืองแผนกนั้นแผนกนี้มาหาถามไปทํามาถามไปจนถึงตีสามเยงไอเราจจาจหายใจไม่ออกเลยเราก็บอกหมอเป็นหัวใจจริงๆอหัวใจจริงๆเขาก็ไม่เชื่อนะยังไม่เชื่อ เขว่าถามดูดบุรีไม่ทานเหล้าไม่อันตร์ต่างๆนานาเขานั่นเราไม่มีหรอกทานเล้าได้ยังไงอย่างเงี้ยนะบุรีก็ไม่เคยดูดเราก็บา่างเนี้ยหัวใจแน่นอนจริงๆมันเป็นมาตั้งแต่ปี2536เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเมื่ออยู่บนดอยอ่ะพอมันหายใจไม่ออกเนี่ยเราก็จะนั่งภาวนาเป็นหลักก็จะนั่งอยู่ก็ไหนนั่งคืนมันจะเป็นคืนประมาณสักเที่ยงคืนเนี้ย เราจะหายใจไม่ออกแล้วเราเอ๊ะเป็นอะไรก็จะนั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปเนี่ยจนถึงแจ้งหลายปีมากนะมันมันเท่ามันเท่ามันก็อยู่ได้แลเรื่องฐานการขบฉันบนดอยมันก็ไม่เป็นพิษเหมือนข้างล่างเราเนาะแล้วอากาศก็ดีได้อย่างหนึ่งเราเดินขึ้นเขาลงเขาประจาคล้ายๆร่างกายมันกประจําอ่ยเนี่ยมันมัน มันก็แค่ว่ามันเหมือนนักกีฬามันวิ่งทุกวันไหลทุกวันเนี้ยเแต่พวกเราไปวิ่งกับเขาไม่ได้นะชออกตายหมดเลยมันขึ้นลงขึ้นลงเขาตลอดแต่เป็นตอนคืนก็คืนวันเที่ยงคืนเนี้ยเรามารู้ทีหลังว่าไอ้ที่ทําไมนอนแล้วมันมันแน่นอกเนี้ยน้ําที่มันลงขาเนี้ยมันไหลย้อนกลับมันแล้วมันทำให้หัวใจห้องเนี้ยมันทํางานหนักมันเลยอึดอัด แล้วต่อไปพวกนี้ก็จะเป็นน้ําท่วมปอดโรคหัวใจนี่คือน้ําท่วมปอดนี่คือโรคหัวใจนะน้ํามันตกค้างมันหลย้อนกับมันทํางานทิดปกติมเนีหยปกติมันไหลย้อนแล้วไม่ได้มันผ่านแล้วผ่า น, นเลยใช่ไหมแต่นี่มันตีกลับมามันก็เลยตกค้างมันไม่ไปตามท่องทางของมันนะ่นั่นแหะคือโรคหัวใจน้ําท่วมปอดเนี่ยจนมาถึงปิวที่ผ่านเมืองเนี่ยที่ว่าไปทำบอลลุนมะา โยมเห็นภาพอันนั้นนะจะจะเห็นว่าแย่แย่จริงกิบมันออกมันพอหายใจไม่ได้เนี่ยคนตายนะโยมต่อหายใจเองนะคนอื่นช่วยหายใจไม่ได้นะหมอก็หมอท่านะ้เพราะฉะนั้นการหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็คือคนตายเท่านนะีหละมันอักมันติดอัดติดอัดต อ, อ, อนที่มันจะตายเนี่ยมันจะมืดก่อนมันจะมืดมืดเข้ามืดเข้ามันมืด มืดเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตก็ออกไปข้างนอกเลยออกไปก็ยืนมองกันอยู่เนี่ยก็ไปแบบเป็นพระเนี่ยแหละอีกตัวนึงก็เป็นพระตัวนี้ก็เป็นพระสองตัวนะสองตัวออกไปกยืนกันอยู่เนี่ยแต่อีตัวที่ออกไปเนี่ยสบายมากไม่กังวลไม่กระวนไม่กวายมันไม่มันไม่มีเวทนาหายใจดีไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยมันก็นึกในใจเ่อะเออตายแล้วก็สบายดีน้องเออคิดเนี้ย มันไม่มีความอะไรอวรตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้จะจะเอาไปทาอะไรก็แล้วแต่จะไปต้มยําำตาแกงอะไรมันไม่ไม่ใส่ใจหรอกไอกตัวที่ออกไปมันเบากว่าเวทนาไม่มีก็คือไม่มีขันเนะี่ยธาตุธาตุธาตุได้อย่างเราไปคลองกันอยู่มันจึงมีการสัมผัสเนะย็นร้อนอ่อนแข็งมาไอตัวไอตัวเนี้ยมันยังมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยเพราะว่าธาตุมันผิดปกติอยู่เสมอเราต้อง รักษาเจยามันตลอดมันออกไปพักใหญ่ๆแล้วมันก็เข้ามาใหม่ไอ้เข้ามาตัวเนี้มันช้ามากข้างในเนี่ยมันช้ามันช้ำอะ ม, มันเลยกว่จาจะฟื้นยากที่ว่างดกิจมลทั้งหมดก็ยังเกงใจทีโวทีวันนั้นเขาก็ได้ข่าวว่าเขาเตรียมกันอาหารข่าวคนเยอะนะแล้วมันชบเฉินเป็นคืนไหมก็มีรู้มีครูบาอาจารย์มาแทนหรือเปล่าวันนั้นไม่น่าจะมีมั้ง ไม่เลยเนานะนั่นเนี่ยไม่รู้โยมด่าพระมันก็บอกหลวงพระจะตายอยู่แล้วเอาไว้ไว้ฉันนี่ฉันยังมาไม่ได้มันจะตายจริงตายจิงนะโยงแต่ว่าอาศัยการที่เราฝึกกู้ดีได้ง่ายเนาะครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้เนี่ยคิดอย่างพวกเราฝึกกรรมฐานกันนี่แหละมันจะได้เตียบตอนนั้นนะอได้เปรียบขอให้ทุกคนเนี่ยพยายามฝึกให้ได้นั่งสมาธิมั่งเดินยังกรมมั่งให้ทานรักษาศีล เลีงดูบิดามารดาดูแลบุตรภรรยาสามีสงัอองเคราะห์ญาติคิดดีทำดีพูดดีให้อภัยอย่ามโมโหไล้ใส่กันให้โอกาสให้เกียรติให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะตรงนี้นเนี่ยมันจะกล่อมนะกล่มอมก่อมจิตของเราเราเอากายของเราที่มีอยู่เนี่ยกล่อมมันก่อนนะคิดดีทำดีพูดดีอะเรื่องการทำความดีให้โอกาสให้เกี ย, ยรติเปิยไพ้เราก็ไปเยี่ยมกันได้เราก็ไปเยี่ยมกันให้กำลังใจซึ่งกันและกัน มันเป็นอหนทางเขาเรียกว่าทางเดินของอริยะนะตัวเนี้ยทางเดินของผู้กระเสริฐเป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วเมื่อเราต้องไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันย้อนหลังกลับมาดูเนี่ยวันที่ดีที่สุดแล้วท้งดีแล้วมันจะไม่มีความกังวลแล้วมีจุดมุ่งหมายการเดินทางไว้ข้างหน้าต่อไปอย่างนี้นจริงๆเรืการภาวนาเนี่ยมันเป็นกําไรชีวิตของเราเลยทารทำศีลเนี่ยเราทำปกติอยู่แล้ว แต่เร่งภวนาเนี่ยขอให้ขยับขึ้นมาสักนิดนึงเราทำไม่ได้ทุกวันก็ขอให้ได้ก่อนนู้เน่ยถ้าก่อนนอนหรือแล้นั่งเฉยเอาพุโทโลสักนิดนึงอะไรเงี้ยกุทโลธารโมสังโฆแล้วกเ็เผยเมตตาให้ให้ทำอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเอาหน้าด ำ, ำเค้ื่เคียดเหมือนพระแล้วเราสบายโยนี่แหละแต่ขอให้ทำขอให้ทำ เนี่ยจากที่จิตออกไปตรงนี้เนี่ยมันเลยเห็นคุณค่าว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเนี่ยคล้ายๆว่ามันขาดเลยนะมันขาดอะไรอะ่ะขาดบุญอันยิ่งใหญ่อย่า ง, นงเนี้ยจริงๆเนี่ยขอให้ทําให้ได้ถ้าทําได้แล้วก็เปลี่ยนกำไรชีวิตเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยอย่างน้อยเรารู้ท่องทางอช่องทางมีช่องทางจะไปแล้ว พอกลับในทีมก็จะมาเจอครูบาอาจารย์เจอฐานที่เจอเพื่อนฝูงเจวญาติพี่น้องเนี่ยดีเป็นที่ที่เราล่มลุกคุกค้างกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือกรรมที่ไม่ดีมันส่งผลพอกรรมที่ไม่ดีส่งผลปุ๊บเนี่ยนี่เราก็ทํทาทําดีอนยะู่ไหยทําไมเราสะดุดเราไม่มอุปสรรคมันก็จะเป็นเศษกรรมที่ไม่ดีอ่ะตอนนี้เราทําดีแล้วแต่ไม่แน่ในระหว่างที่เราทําดีเนี่ยมันอาจจะทําสิ่งที่ไม่ดี ประกอบกันเข้าไปด้วยแกนเข้าไปด้วยเหมือนอย่างเราทําความดีพุกเนี่ยมันต้องทำด้วยความเต็มใจ จ, จริงๆไงไม่หั่จะฝืนนะฝืนความรู้สึกในารทำดีเนี่ยมันก็เลยแบบทาค่อนข้างที่จะไม่เต็มใจจะฝืนต้องฝุดนงแต่ให้ความที่เราทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราทํามาทุกวันทํากันมาหลายภพหลายชาติแล้วมันก็เลยเกิดความเคยชินมันก็เลยจะมีการทุ่มใจ พอเวลาทาได้เีฮยพอทําได้แล้วภูมิใจพวกอีตรงนั้นแหละที่เราทำแล้วภูมิใจก็อยู่ยิ่งย่องอ่ะมันจะส่งผลก่อนแล้วทำความดีของเราที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันทําแบบฝืนๆจะมาทำความดีก็ออกเวลาไม่มีบ้างตื่นสายบัางหากุเรีรถไม่เจอบ้างสตาร์ทไม่ติดบั่งเนียมันจะเป็นอย่างเงี้ยหุดหงิดจะก้าวออกจากบ้านแบบโวยปวดเท้าก็ไปะสะดุดประตูซะบ้งอย่างเงี้ยมันจะเป็นเงนี้ยมันจะขัดขวาง สุดท้ายแล้วโอ้กูจะทําทําดีมีมาอีกนี่ไปนั่งเลยมันก็เลยไม่อยากมาใจมันก็เลยต่อแล้วเนี่ยมันมันก็จะคิดเนี้ยพอมาพอมาพอมาถึงเรื่องจริงก็มันจะคิดถึงเรื่องแค่ไม่ดีขัดขวางเลยเนีะยมันจะเป็นนี่ก่อนมันก็เลยกลายเลยว่าทำความดีเนี่ยมันไม่เต็มร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นจิตมันก็จะคล้ายๆว่าเอ๊ะเราทําไปทำความดีทําไมจึงมีอุปสรรคจัง ถ้ายาเราฝืนฝืนไม่บ่อยเนี่ยภพศักดิ์เหล่านั้ น, นจะไม่มีทําไปเรื่อยต่อไปก็จะเป็นเป็นการทําบุญเนี่ยด้วยความเต็มใจจริงๆนั่นแหละมันถึงจะเป็นบุญแล้วแล้วมาทําไปแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราทำมาเยอะแล้วทําบ่อยแล้วทีมากแล้วอย่าไปคิดอย่างนี้ทําทิ้งเลยเมื่อทําแบบทิ้งเนี่ยการส่งจะได้สูงกว่าทําแล้วก็อธิษฐาน ส่วใหญ่เราจะอธิษฐานก่อนไงน่าเอาอธิษฐานก่อน น, นาอนธาิษฐานก่อนนะมันมีความอยากได้มากเกินไอตนี้เนี่ยบางทีอธิษฐานจนจ น, จนมันมันเกินเหงืเนี่ยอธิษฐานก็นจะหลุดมืได้นะโอ้ยมันเนาะต้องกว่าศานาสิงนี้ว่าศาสนาสิ่งนี้เราทาไปก่อนแล้วค่อยเบิกบุญเาทีหลังอ <c oughs> ่าทก่อนแล้วค่อยเบิกเอาทีหลังการเบิกบุญไงการเบิกบุญนี่คือหมายความว่าถ้าเราทากิจการอะไรสักอย่างเนี้ย ด้วยอำนาจบุญที่เราทำมาแล้ว ด, วดีอย่างนี้ขอให้ท่าพระเจ้าทําสิ่งนี้สำเร็จอย่าให้มีสิ่งอุปสรรคขัดขวางไม่เบิกบุญใช้แต่พวกเราเนี่ยมันเบิกใช้ก่อนที่จะถึงบุญนะเอ้า ล, ลองได้เลยจับข้าวมาขันเนี่ยก็โอ้โหเลยไอ้ ข, า, ออ า, ข, นนขานเยอะมากเลยไงก็จะหลุดมูอไปได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันมันหวังผลก่อนแล้วอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ผลนะ ทำไแล้วเนะี่ยย่อมจะหอนเหว่ยงทันทีแล้วทานของเหวียง ม, มันจะได้ลงทันทีเลยนะมันจะเศร้างงเลยอย่างนั้นนะแต่นี้ไม่ถูกเรายอดไบหนาพระเจ้าอ่ะพระเจ้าท่านทาความดีอลไก็แล้วแต่เนี่ยท่านทาไปก่อนแล้วทา่นทานปรารถนาที่หลังไปไปดูได้เลยในบรมเสามสิบทัศน์เนี่ยเป็นอย่างนั้นริงจริงแต่พวกเราเนี่ยโหนั่งปับเดียวนั่งภาวนานเนี่ยอยากได้สวรดคบัลลังก์แ อย่างราศีกิจนาคานาคารหันเลยเนาะอันนี้คือความที่ปรารถนาง่ายถูกแต่เราต้องปรารถนาทิ้งไว้มันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันขอให้เราทําเหตุที่ดีไปแล้วกันนี่นี่มันก็จะส่งผลเราเองเนี่ยต่วเนี้ยอย่างนั้นจริงๆอย่างพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบาลีมาเนี่ยพบทุบบกชาตินะจังหวะมาก เ, เนี่ยจังหวะสุดๆปวดอยากกระโดนไล่ทำพรมดีเออวางให้ดีเนี่อเรา เป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านนะพ่อบ้านในี่มานะเดี๋ยวมึงไล่ออกจากบ้านไนหะอย่างงี้นะพ่อบ้านมาวัดบ่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมึงไล่ออกจากบ้านนะเคเจอนั่นเนะนี่ยมันก็ขัดฝังทําความดีเดี๋ยแต่ขอว่าให้เราถึงตลอดเพรเมื่อจิตออกไปแล้วเนี่ยมันเข้ามาครั้งเนี้นี่คือเข้ามาอีกครั้งหนงมากตอนนั้นที่เห็นนะที่ใครเคยเห็นบ่อยๆนะมันช้ำมากตอนที่ที่มันพักฟื้นเนี่ย มันจะบื่อจงงหรือเนี่ยไปช้ว่าอาไว้วะมันทํางานไม่สะดวกแล้วเนี่ยมันออกแต่แต่ถ้าเกิดหมอรักษาโดยวิธีการที่ล็อกยาอันนจิตไม่ออกไปไหนจิตมันไม่ออกไม่ได้อยู่ประกายนั่นแหละล็อกยาแล้วก็ฉีดยาชาพวกฉีดยาสลบแล้วก็ทําการผ่าตัดอันนั้นจิตมันอยู่ด้วนะั้นมืนไม่ออกแต่ของเราเนี่ยออกไปข้างนอกเลย ตัวนี้เนี่ยขอห้อยอวัยวะเปิดหมดเลยถวานเปิดซึ่งถวานเปิดเลยมันก็คุมไม่ได้ที่เราเห็นศพไหมที่เขาเอาทั้งนี้มาอุดหูอุดจมูก่คือเลือดมันจะไหลออกแต่ของเราเนี่ยเลือดยังไม่ทันไหลแต่อย่ า, ง, ายยงอื่นออกเนี่ยมันขาดการควบคุ ม, มน่ควบคุมไม่ได้เพราะนั้นเมื่อจิตออกจากล่างแล้วเนี่ยเขาจะไปก้ยมยำทําแกงอะไรวิญญาณ น, นั้นน่ะจะไม่มีคํามบ้า ห, หัวเหงียนตัวนี้ไม่มหัวเหงียน เพราะว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันเบามันไม่มีไม่มีท้าสีเป็นตัวถ่วงมันไม่ถ่วงสักทักใหญ่ๆจิตยังมันเข้ามาอีกทีหนึ่งมันเหมือนกับลมละ ก, กระแทกกระแทกตึ่งอย่างงี้เลยนะมันเย็นแบบเย็นเข้าไปคั่วหัวใจเลยเย็นมากๆเลยนะเย็นมันเย็นแบบออืเย็นเยอะงริงสักกระเดี๋ย ว, วหนึ่งมีความรู้สึกขึ้นมาว่า หากระแขกเนี่ยหนักมากเลยนะแต่ทุกวันนี้ไม่หนักใช่ไหมหรือว่าไม่หนักไหมแต่ที่เข้ามาอทีเนี่ยมีนมีความรู้สึกหนักจริงจริงหนักอึก้งเลยนะยกแทบไม่ขึ้นเนี่ยแล้วจิตก็ไปตกขึ้นมาว่ากูต้องรับผิดชอบมันอีกแล้วหรือมันก็เลยไปเจอบทหนึ่งองที่เราสวดมนตกับประจำอะภาระาเวปันจักขันธาปันจักขันทั้งหลายเป็นภาระจริง ภารฮ า, าโลจากปุคโลแต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้ภารานี่ยเปะ็ะนางฝึก ข, ขังการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิคิตจวาวาเข้าลงพลังเนี่ยพอเร า, านี้พวกเนี่ยนึกถือพวกนี้เนี่ยทีเราสวดกันทุกวันทุกวันนะแต่ตอนนี้สวดยังไม่เจอนะมันก็สวดเฉยเลยมันก็สวดเป็นนกแก้วนกขนทองอย่างเฉยแต่พอไปเจอมาเนี่ย เราเข้ามาเนี่ยยิตมันก็บอกพวกนี้เลยว่าปูต้องรับผิดชอบมันอีกแล้วหรือนม่หอย่างงี้แต่พวกเรานโชคดีร่างกายอย่างสมบูรณ์เราเอาร่างกายตัวเนี้ยมาทําฟังดีกันเพื่อที่จะเอาไปใช้ในพุทธนาโน้ น, นเดี๋ยวจะคุยเรื่องทเทวดาให้ฟังเดี๋ยวนี้ฉันข้าวก่อน <c oughs> เดี๋ยวมาได้กินข้าวโยงมาได้ทํางานก่อนเดี๋ยวถึงเที่ยงเนาะมันจะมีมาคุยกันสักหน่อยหนึ่งว่าแล้วก็ไอพรเนี่ยไอพรก็อาทิศบุญนะ กุศนของเราให้กับปิดามาดาปู่ย่าตายายเจ้ากรมานายเวรเจ้าที่จะทางให้มาอนุโมทนาบุญที่เราทำในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงให้นาทีการงานของเราแล้วก็บริษัทของเราจะลดนะรุ่งเรื่องเหยาท้าวรวหฮาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะมีวะอิตโตดินนางเบตานางอุปกาปติ อิชิตังปะทิตังตุลทังคิปเมวะสมมิชาโตสเบปรนโตสังกาตาจังโนปนรสโยาธามนิเจอนเจรสยาถา เทเรสานิจมุธังจันตารถธรรวัฏสงฆ์อายุวะสุขังภาลังอายุโดบรัโดเทโรอาวนดอปิปาน เมธาวโสขังโสอจิกาจติงายุนัดดวาบรังวันังโสขังจะปฏิภาณดวนเดกายุยญาสวโหติยาธาทาย้วน ชะเทียตีรัตนาตยานุภาเวนารัตนาตยเนตชาทานโตขะโรคาพยะเวรัสตุกะสตุปัตตะวันอาเนกาอันตรายาปียเวนัสันโตเสสโตชัยยาสิทธิธนาราพังโสทีภาคยังโสขังพลัง เทริยูจาวโนจันพรกังวุีจายสวสนาวสตาจายจันเทวาสิทธิวันตตเตปาวาโตสามังกาลังราคันโตสามบัมบูธานุภาเวนัสดาโสธิบวันตตเต กัลลังราคันโตสะพเดวตาอัสามะธรรมานุภะเวนะสตาโสธีพระวันโตเตภะวะโตสะพังกัลังราคันโตสะพเดวตาอังสามังขะโนภะเวนะสะาโสที พระวันโตเตงได้กลับพระพร้อมกันแล้วก็ไปทานข้าวก่อนเที่ยงทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาวคุยคันเนะเาะเราหังนสมาสัมโตก็ภาวนา จัดไปแล้วก็โยมสนมไปถาดกันได้ตามอัธยาศัยเหลือก็แบ่งกันไปเลยจะกินให้อิ่มก่อนนะ